สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่16พระธรรมหนึ่งพงศษบทที่16นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่20บครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระดำรัสขององค์พระนเจ้ามาถึงเยฮูบุตรฮาณ น, านีกล่าวโทษบาอาชาว่า เราได้ยกเจ้าขึ้นมาจากฝุน่นธุลีให้เป็นผู้นำของอิสราเอลประชากรของเราแต่เจ้ากลับดำเนินตามทางของเยโรโบอัมเจ้าชักนำอิสราเอลประชากรของเราให้ทำบาปและยั่วยุให้เราโกรธ ด, ด้วยบาปของพวกเขาฉะนั้นเราจะทำลายล้างบาอาชากับวงวานทำให้วงวานของเจ้าเป็นเช่นวงวานของเยโรโบอัมบุตรเนบัต คนของบาชาที่ตายในเมืองจะถูกสุนัข ก, กินส่วนคนที่ตายในท้องทุ่งจะถูกนกจิกกินสำหรับเหตุการณ์อื่นๆในรัช ก, การบาชาพระราชกิจและความสำเร็จต่างๆมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือบาชาทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในทีรซาและเอลาโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทน ยิ่งกว่านั้นพระนําหับขององค์พระผู้เนเจ้าผ่านมาทางผู้เผยพระชนะเยหูบุตรฮาเ น, านีมาถึงบาชากับราชวงศ์เพราะความชั่วทั้งปวงที่ทรงทำในสายพระเนตรขององค์พระผู้เนเจ้าเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทาได้ยั่วยุพระพิโรธขององค์พระผูเนเจ้าเพราะพระองค์ทรงประพฤติตนเหมือนราชวงศ์เยโรโบอัมและเพราะพระองค์ได้ทรงทาลายราชวงศ์นั้นด้วย เอลาโอรสบาอาชาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรงกับปีที่ยี่สิบกของราชกา ร, รกษัตริย์อาซาแห่งยูดาทรงครองราชในทีรซาสองปีซิ ม, มรีผู้บัญชาการกองรถรบหลวงครึ่งกองวางแผนกบฏต่อพระองค์ครั้งนั้นกษัตริย์เอลาประทับอยู่ที่ทีราซาทรงเมไม่เมา ม, มายอยู่ที่บ้านของอาซาเจ้ากลมวังประทับทีรซา ซิมรีก็เข้ามาปงคระงชนตรงกับปีที่27ของรัชกาลอาสาแห่งยูดาจากนั้นซิมรีขึ้นครองราชแทนทันทีที่ขึ้นครองราชซิมรีก็ประหารครอบครัวของบาชาทั้งหมดพระองค์ไม่ทรงไว้ชีวิตชายแม้แต่คนเดียวทั้งญาติและมิตรดังนั้นซิมรี ทำลายครอบครัวบาชาทั้งหมดตามที่องคุณเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยพระชนะเยฮูเพราะบาปทั้งปวงที่บาชาและโอรสเอลาได้ทำและชักนำให้อิสราเอลทําตามพวกเขาได้ยั่วยุพระพิโรธของพระยาวเวพระเจ้าให้อิสราเอลด้วยรูปเคารพอันไร้ค่าเหตุการณ์อื่นๆในราการของเอลารวมทั้งพระราช ก, กิจต่างๆมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ ในปีที่27ของราชการกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์ซิมรีทรงครองราชในทิราซาอยู่7วันกองทัพตั้งค่ายอยู่ใกล้เมืองกิเบดโทนของฟรลิสเตียเมื่อชนอิสราเอลในค่ายได้ข่าวว่าซิมรีวางแผนกบฏและปลงพระชนกษัตริย์แล้วก็ประกาศให้แม่ทัพอามรีเป็นกษัตริย์อิสราเอลในวันนั้นเองที่ค่าย อามาลีและชนอิสราเอลทั้งหมดจึงถอนทัพจากกิบเบโตนมาล้อมทีรซ า, าเมื่อเิมอรีเห็นว่าเมืองถูกยึดก็เข้าไปป้อมพระราชวังจุดไฟเผาวังและคลอกตัวเองตายนี่เป็นเพราะบาปที่เซมอรีได้ทำคือทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์ผู้เหนเจ้าดำเนินตามวิถีและทำบาปแบบเดียวกับเยโรบอัมทั้งยังชักนำให้อิสราเอลทำตามด้วย เหตุการณ์อื่นๆในรัชการของซิมรีและการกรบฏของพระองค์บันทึกอยู่ในจดหมายเหตุกษรตัตย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือพี่น้องครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่พระเจ้าทรงทำลายราชวงศ er ์เยโรอัมวงวานของเยโรอัมเพราะว่าความบาปพิจงแจ้งที่เยโรอัมนั้นได้ทำก็คือชักนาอิสราเอลให้ออกจาก การกราบไหว้นมัส ก, การพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวหันไปกราบไหว้รูปเขารบที่ไร้สาระแต่ว่ากษัตริย์องค์ต่ อ, ตอมาในราชวงศ์ที่เปลี่ยนใหม่เนื่องจากการกรบฏบาชานั้นก็ยังทําผิดแบบเดียวกันครับพวกเขาไม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างของคนที่เดินนําหน้าเขาเลยบาชาไม่คิดเลยว่าความบาปของเขาจะต้องถูกลงโทษเหมือนกัน พี่น้องครับการเรียนรู้จากคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนที่อยู่ในอดีตบรรพชนหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวอย่างครับในเรื่องของการทําบาปในเรื่องของการออกห่างจากพระเจ้าน่าจะเป็นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้และถอดบทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นครับเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนอื่นเรียนรู้จากการตกต่ำของคนอื่น เรียนรู้จากความสูงส่งการได้รับเกียรติจากพระเจ้าการยกย่องจากพระเจ้าในชีวิตของคนอื่นเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคนในพระคัมภีร์และอย่าทำผิดซ้าสองน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งราชวงศ์กษัตริย์หลายหลายราชวงศ์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นไม่สามารถสืบทอดต่อได้วงวานของเขานั้นถูกแย่งบัลลังก์และฆ่าตายหมดครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่า พระคัมภีร์บทที่16นี้ได้พูดถึงการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินนั้นเหมือนกับว่าเล่นเลยครับก็คือคนนี้ขึ้นมาแล้วคนนี้ก็ลงไปอีกคนนึงขึ้นมาก็ลงไปก็ิย์อีกองหนึ่งองแล้วองเล่าองแล้วองเราที่ทำให้พระคัมภีร์นั้นเวลาเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกเศร้าสลดเสียใจแต่พระเจ้ามีพระคุณอยู่เสมอพระเจ้า แต่ให้พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเยฮูบุตรฮานานีซึ่งเป็นกระบอกเสียงเป็นประกาศศกของพระเจ้าให้บอกกับบาอาชาครับพี่น้องอย่าลืมครับบาอาชานั้นเป็นกษัตริย์เหนือดินแดนอิสราเอลนะครับเพราะว่าเขายึดมานะครับยึดมายึดมาโดยการที่ฆ่านาดับครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงนาดับใช่ไหมครับนาดับนั้นเป็นกษัตริย์อิสราเอลและก็บาอาชานั้น วางแผนลงมือสังหารนานดับบาอาชาก็ขึ้นคลองราดแต่บาอาชาในที่สุดนั้นก็ตายครับจากที่ครองราดนานอยู่24ปีพี่น้องครับระหว่างที่ครองราดนั้นบาอาชาก็ทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ประกาศศกของพระเจ้าเยฮูมาเตือนครับและหลังจากที่บาอาชาตายแล้วพี่น้องดูต่อนะครับเอลาโอรสของบาอาชาก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและ ปกครองอยู่ในธิรซาสองปีก็เกิดกระบฏครับก็คือสิมบรีผู้บัญชาการกองรถรบหลวงวางแผนกระบฏแล้วก็ประหารเอลาโอรสบาชาเซียขณะที่เอลานั้นยังเมามาอยู่กับเพื่อนซีของเขาก็คืออารชาเจ้ากรมวังในนครธิรส า, าหรือในเมืองธิรซ า, าแต่สิ่งที่ ซิเมรีซึ่งเป็นกบฏและได้ปรับดาพิเศษขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนั้นทำก็คือว่าเขาประหารครอบครัวของบาอาชาทั้งหมดเลยครับประหารทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่คนเดียวชายทุกทุกคนถูกประหารหมดญาติมิตรนะครับไปหมดเลยครับทำลายครอบครัวบาอาชาทั้งหมดตามที่องค์พระบิดาเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยเพระชนะเยหูถามว่าทาไมครับเพราะว่าบาปทั้งหลายที่บาาชาและโอรส เอลาได้ทําไว้ชักนําให้อิสราเอลทําตามนะครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงห่วงแหนประชากรของโปรงผู้นําใครก็ตามที่ทําให้ประชากรของโปรงนั้นไข้เขวหันเหออกห่างจากพระเจ้านั่นเขากําลังทําการยั่วยุพระพิโรธของพระเจ้าให้พระเจ้ากโกรธเพราะอะไรครับเพราะว่านําคนอิสราเอลนั้นไปในทางที่ผิดครับนําคนอิสราเอลไปในทางที่ไม่ชอบธรำ ไปสู่ความชั่วความบาปความร้ายแรงของเรื่องของการกราบไว้รูปเคารพพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังมากๆเรามาดูต่อครับเมื่อศรีมรีเป็นกระบฏและก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นมาฆ่าบาชาและวงวานของเขาหมดศรีมรีเป็นกษัตริย์แบบไหนพังกัมพีกล่าวครั บ, รบว่าศรีมรีก็เป็นกษัตริย์ที่แย่และเลวลายไม่ต่างจากกษัตริย์ ทั้งหลายรุ่นพี่รุ่นพี่ของเขาทั้งหลายพี่น้องครับซิ ม, มรีก็เหมือนกันครับในที่สุดก็ตกลงไปอีกครับตกลงไปในแง่ของความชั่วร้ายประชากรของอิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะเพเยะขึ้นมาได้เลยครับเพราะเนื่องจากว่าผู้นําของเขาชั่วร้ายในที่สุดแม่ทัพอามารีนะครับก็วางแผนกบฏครับและก็ปลงพชนปลงพชน สิมบรีอามบรีก็เป็นกษัตริย์แทนพี่น้องครับความตายของสิมบรีนั้นเป็นความตายที่น่าอนาถมากเพราะว่าอะไรครับเพราะฆ่าตัวตายสิมบรีนั้นเมื่อเห็นว่าอามบรีมายึดเมืองของเขาได้ก็เข้าไปในป้อมพระราชวังจุดไฟเผาตัวเองตายครับเผา ว, วังด้วยและพระมุทีบอกว่านี่เป็นเพราะบาปเป็นเพราะบาปที่สิมบรีได้ทำเป็นเพราะว่าเขาไม่ดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้า ซิมิลีเป็นกษัตริย์ที่ปกครองน้อยวันที่สุดครับคือปกครองได้แค่7วันเท่านั้นเองอันนี้ได้บันทึกอยู่ในข้อที่15ถึงข้อที่20นะครับเป็นกษัตริย์ที่ปกครองสั้นที่สุดในบรรดากษัตริย์ของอิสราเอลพี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือ 1. เราซึ่งเป็นผู้นำในทุกๆระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำองค์กรผู้นาสถาบัน ต่างๆนั้นเราควรจะต้องฟังเสียงของพระเจ้าครับเสียงของพระเจ้าหลายๆครั้งทีเดียวตัดผ่านมาทางผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศศกของพระเจ้าเราต้องฟังประการที่สองเราจะต้องนําพะชากรของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องครับอย่าเบี่ยงเบนเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เราต้องเห็นแก่ประโยชน์ของแผ่นดินพระเจ้าเป็นการขยายอาณาจักรของพระเจ้านําพะากรของพระเจ้าไปในทางที่ถูกครับ บทเรียนประการที่3ในเช้าวันนี้ถ้าเราไม่นำประชากรของพระเจ้าไปในทางที่ถูกชีวิตจะจบไม่ดีครับจบไม่สวยและนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากพระกัมภีตอนนี้กษัตริย์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือองแลองเล่าก็มาแล้วก็ตายมาแล้วก็ตายมาแล้วก็ตายผู้นำก็มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินนะครับ มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปหลงเหลือไว้ซึ่งการบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตที่เราจะต้องถวายรายงานกับพระเจ้าหนังสือแห่งชีวิตนี้จะต้องถูกเปิดออกครับและสิ่งต่างที่เราทำนั้นจะถูกเปิดเผยตรงนั้นแหละครับเราจะเห็นว่าเหมือนกับพระกัมพีหนึ่งพงศ์กษัตริย์เลยครับว่าคนคนนี้เป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายในสายพเนตรของพระเจ้าหรือเป็นกษัตริย์ที่ดีในสายพเนตรของพระเจ้า อาเมน